สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบา น, นครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่ห้าร้อยยี่สิบรื่องพระเยซูในพระธรรมฮีบรูครั้งที่ยี่สิบห้าพี่น้องครับพระเจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในฮีบรูบทที่เจ็ดข้อที่ยี่สิบหกนะครับผมจะอ่านจนถึงข้อที่ยี่สิบแปดครับพระธรรมฮีบรูบทที่เจ็ดข้อยี่สิบหกถึงข้อยี่สิบแปดโปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้า มหาปุโรหิตเช่นนี้แหละที่เหมาะสำหรับเราคือเป็นผู้บริสุทธิ์ปราศจากอุบายไร้มนทินแยกจากคนบาปทั้งปวงประทับอยู่เหนือกว่าฟ้าสวรรค์พระองค์ไม่ต้องทรงนำเครื่องบูชามาทุกวันทุกวันดังเช่นมหาปุโรหิตอื่นๆผู้ซึ่งตอนแรกถวายสำหรับความผิดของตัวเองแล้วจึงถวายสำหรับความผิดของประชาชนส่วนพระเยซูได้ทรงถวายเครื่องบูชาเพียงครั้งเดียว คือเมื่อพระองค์ได้ทรงถวายพระองค์เองต่อพระเจ้าแท้จริงมหาโพหิต ท, ที่ได้รับการแต่งตั้งตามธรรมบัญญัตินั้นก็เป็นมนุษย์ที่อ่อนแอแต่พระปฏิยานของพระเจ้าซึ่งได้ตรัสภายหลังธรรมบัญญัตินั้นได้ทรงแต่งตั้งพระบุตรขึ้นผู้ซึ่งถึงความสําเร็จเป็นนิดพิงพรงคาโพธนะพระเจ้าในเช้าวันนี้ ต่อจากเมื่อวานเมื่อวานนี้ก่อนจะจบผมได้สรุปว่าพระเยซูนั้นทรงอยู่เหนือกว่าปุโรหิตทั้งหลายในโลกนี้เพราะพระองค์ทรงมีคุณสมบัติฝ่ายวิญญาณของตําแหน่งปุโรหิตของพระองค์พระองค์ทรงเหมาะสําหรับเราโดยที่ว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่พระเจ้าได้ทรงปฏิญาณไว้ตามคําสัญญาของพระองค์และคุณลักษณะห้าประการนี้ก็คือหนึ่งพระองค์ทรงบริสุทธิ์ แสดงว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าสองพระองค์ทรงปราศจากบาปแสดงว่าพระเยซูทรงเป็นมนุษย์แท้ที่ไม่มีบาปเลยสามพระเยซูไรจุดดั่งพลอยแสดงถึงการเป็นของบูชาหรือเครื่องบูชาของถวายสี่พระองค์ทรงแยกจากคนบาปทั้งหลายก็คือพระองค์มีชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์ คือการไถ่าบาปการลบล้างบาปและประการที่ห้าพระเยซูทรงอยู่เหนือกว่าทูตสวรรค์แสดงถึงฤทธิดเดชฤทธานุภาพของพระเยซูพี่น้องครับวันนี้ทําให้เราเห็นถึงความเหนือกว่าทางด้านการปฏิบัติของตำแหน่งมหาผลิตของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราความเหนือกว่านั้นคือเหนือกว่าในด้านของการเป็นเครื่องบูชาเพื่อความบาป เพียงครั้งเดียวเท่านั้นของพระเยซูครับพี่น้องครับความเหนือกว่าในทางปฏิบัติของตาแหน่งปุโรหิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูของเรานั้นปุโรหิตตระกูลเลวีใ น, นพัมธีเดิมไม่สามารถทําได้ครับเพราะว่าเขาจําเป็นจะต้องถวายเครื่องบูชาประจําวันเพื่อความบาปของตัวเองก่อนหลังจากนั้นก็ถวายบูชาเพื่อลบล้างความบาปของประชาชนชาวอิสราเอลแต่มหาปุโรหิตของพวกเราคือองค์พระเยซูคริสต์ รทรงถวายเครื่องบูชาเพื่อความบาปของมวลมนุษยชาติเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเน้นครับว่าเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนี่คือความเหนือกว่าครับมีสองเรื่องที่สําคัญถูกนําเสนอที่นี่ก็คือหนึ่งเครื่องบูชาของพระเยซูคริสต์ถวายครั้งเดียวมีผลตลอดไปครับพระเยซูจึงไม่จําเป็นต้องถูกถวายบูชาต่อไปเรื่อยๆหรือซ้ําแล้วซ้ําเล่า บางนิกายของคริสเตียนนะครับอาจจะพยายามที่จะให้พระเยซูนั้นถวายวูชาครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะว่าทุกครั้งครับที่เข้าสู่พิธีมหาสนิทนิกายใดก็ตามที่เชื่อว่าขนมปังนั้นเป็นเนื้อจริงๆของพระเยซูหลายครั้งทีเดียวนิกายนั้นทําให้พระเยซูจะต้องถูกตึงบนไม้เข็ น, ขนพระเยซูจะต้อง ถูกถวายบูชาต่อไปเรื่อยเรื่อเรื่องสำคัญประการที่สองครับตอนที่พระเยซูทรงสิ้นประชนบนแม่งเขนจากนั้นก็ทรงเสร็จกับสวรรค์ <c oughs> <c oughs> ขอโทษครับจริงๆแล้วพระองค์ก็ทรงถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาไทยบาปแด่พระเจ้าเพื่อพวกเรา <c oughs> พี่น้องครับค <c oughs> มบัญญัติของพระกะภีเดิม แต่งตั้งคนที่อ่อนกําลังให้รับตําแหน่งปุโรหิตก็คือเป็นคนที่เรียกว่าปุโรหิตตระกูลเลวีความอ่อนแอของพวกเขาก็คือเขาเป็นมนุษย์และตายได้ครับแต่พระเยซูคริสต์กลับกันครับพระเยซูคริสต์ถูกแต่งตั้งให้เป็นปุโรหิตของพระเจ้าพระเยซูคริสต์เต็มไปด้วยฤทธิเดชอำนาจในขณะที่พระองค์ เป็นมหาปรหิตนั้นพระองค์เป็นโดยการทรงปฏิญาณของพระเจ้าพระองค์เป็นโดยการที่ถูกบันทึกไว้ในคำพยากรณ์สุริยบทที่หนึ่งร้อยสิบเยซูเป็นมหาปรหิตทําให้งานของพระองค์นั้นถึงความสําเร็จเป็นนิตความหมายของว่าความสําเร็จนั้นก็คือสมบูรณ์แบบครับ เมื่อถึงตรงนี้ทําให้พวกเราอดคิดไม่ได้ว่าเมื่อพระเยซูอยู่ในโลกนี้ในยอห์นบทที่สิบข้อสิบพระเยซูบอกว่าเรามาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์เป็นความสำเร็จอยู่ที่นี่ครับแต่ความสำเร็จนั้นมีการยืดยาวออกไปจนถึงนิรันดรก็คือหมายความว่าถึงความสำเร็จเป็นนิจความสมบูรณ์แบบที่ต่อไปนิรันดร ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างไปถึงความสําเร็จเพราะฉะนั้นคําว่าสําเร็จสมบูรณ์แบบครบถ้วนนะครับคาคํานี้อยู่ในรูปของประธานถูกกระทํำหมายความว่าตําแหน่งปุโรหิตขององค์พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานั้นได้ถูกดีไซน์ไว้หรือถูกทําให้สมบูรณ์แบบในความหมายที่ครบถ้วนตลอดไปเป็นนิจไม่ต้องมีคนอื่นอีกไม่ต้องมีประเภทอื่นอีกไม่ต้องมีวิธีการอื่นอีก ครบถ้วนสมบูรณ์แบบตลอดไปตรงนั้นข้ามอย่างเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมครับว่าความไม่สมบูรณ์แบบของปุโรหิตตระกูลเลวีกับองค์พระเยซูพี่น้องครับกล่าวโดยสรุปในวันนี้ก็คือตําแหน่งของปุโรหิตนะครับหรือตําแหน่งปุโรหิตขององค์พระวิญญาณเจ้าของเราเหนือกว่าตําแหน่งปุโรหิตตระกูลเลวีถามว่าทําไมจะต้องพูดเรื่องนี้ คำตอบก็คือว่าพระธรรมฮีบรูนั้นเขียนขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนที่เชื่อถือพระคำพีเดิมก็คือพวกยิวได้อ่านและเข้าใจว่าพระเยซูเป็นใครความสมบูรณ์แบบและครบถ้วนของพระเยซูในการเป็นมหาปุริตตามแบบอย่างเมลคีเสดกที่เหนือกว่าเหนือกว่าระบบของตระกูลเลวี เหนือกว่าปุ้รุหิตที่คนในสมัยนั้นได้ยกย่องเพราะเหตุที่พระองค์ทรงเหนือกว่าในความเป็นนิรันดร์ของพระองค์พรงคทรงเหนือกว่าเพราะว่าตําแหน่งมหาผู้รหิตของพระองค์นั้นเป็นมาโดยทาปริญัตคือสัญญาของพระเจ้าพี่น้องครับก่อนจะจบในวันนี้ย้อนมาที่สิบข้อสิบบอกว่าเรามาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์ เพื่อนครับจะต้องหันกลับมาดูชีวิตของเราว่าพระเยซูนั้นได้ทรงกระทําอะไรบ้างในชีวิตของเราพระเยซูทรงอยู่เหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ทุกคนทุกศาสนาทุกความคิดทุกปรัชญาและพระเยซูนั้นทรงเป็นองค์สูงสุดเป็นเจ้านายเป็นจอมเจ้านายในชีวิตของเราหรือไม่แต่เมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะตอบสนองอย่างไร คำตอบก็คือว่าเราจะต้องถวายชีวิตของเราให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะเหตุที่ผู้ที่สิ้นพระชนเพื่อเรานั้นไม่ได้ทำให้เราเองจะต้องอยู่ในความบาปของเราต่อไปแต่เราเองจะต้องพลิกตัวรื้อฟื้นความสัมพันธ์ใหม่ของเรากับพระเจ้ากลับใจเสียใหม่เพื่อที่เราจะเข้าสู่ช่องทางแห่งพระสัญญาและทปาปฏิญาณ การการันตีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าตามพระชนะของพระองค์และเพื่อที่ชีวิตของเรานั้นจะเป็นเครื่องบูชาทุกครั้งเวลาที่เรานามาสการพระองค์สมดังในโรมบทที่สิบสองข้อหนึ่งคือคือการถวายตัวเป็นเครื่องบูชาเพื่อเป็นการนามาสการด้วยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลายขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะถวายตัวทุกวันถวายตัวเพื่อเป็น เครื่องบูชาที่มีชีวิตอยู่ให้กับพระเจ้าทุกวันอาเมน